วันนี้เป็นวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2559พระในวัดของเราหนาตาวันนี้พระทั้งหมดมีอยู่55รูปนาคสามพระไม่ลงมาชั้นห้าเพราะว่าเนลวงพ่อสมคิด หลวงพ่อผาน้ำย้อยหลวงเป็นลูกหลานของหลวงปู่ล่าทั้งหมดที่มาวัดภูเจาก้อนเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อสมคิดเป็นเจ้าวาดรองจากหลวงปู่ล่าแล้วก็พาคณะมาพักค้างมาทัศนาทัศนศึกษาไปวัดบรนเพิ่มภูก่้อน แถวๆนี่แหละเมื่อวานกลับมาถึงวัดก็มืดค่าหลวงพ่อก็เพิ่งมาเจอกันตอนเช้านี่แหละเพราะว่าเมื่อวานหลวงพ่อก็บอกเออบอกกับพระถ้าหาว่าศรัทธาญาติโยมมาก็จัดเข้าที่พักเลยนะแล้วก็ส่วนพระอรนนิมนตเข้าที่พักเลยพรุ่งนี้เช้าจะมีอะไรยังค่อยว่ากันพอมันหลวงพ่อมีภาระ ทั้งวันเมื่อวานนะแล้วก็มาถึงค่ำแล้วก็ฝนตกที่ต่างหากฝนตกลินพรำๆอย่างพวกเราเห็นนี่แหละแต่มันตกไม่แรงแต่ตกไม่รู้จักหยุดนะแต่จะยังไงก็ให้ศรัทาญาติโยมลูกหลานทุกคนระวังในการเดินตรงที่มันเขียวๆเนะี่ยอย่าไปเหยียบมันลื่นแต่หลวงพ่อก็ ทำให้ตรงกลางๆนะเป็นกระตุปตะปุ่มตะปั่มสำหรับม่ให้มันลื่นถ้าพวกเราเดินพวกพระใหม่ทั้งหลายนะให้เดินตามตร ง, ตร ง, ตร ง, ตรงกลางตรงปุ่มๆนั่นนะ่ะอย่าไปเดินข้างๆถ้าเดินข้างๆอ่ะมันขี้ตะไคร่นะ้ําขี้ตะไคร่พราะเราอยู่ในปา่าดงอยู่ในแดดไม่ส่องแดดไม่ลงถึงดินมันเขียวปีไปหมดต่อไปเนี่ย ต่อไปเลยิ่งจะเขียวมากกว่านี้อีกถ้าตกหน้าฝนเข้ามาให้พระเนรพระทุกองระมัดระวังถ้าหากว่าเดินไปแล้วลื่นแล้วแขนไปกระแทกกับพื้นแขนหักนะข้อหักแขนหักนั่นแหละปัญหาจะตามมาบาการเดินต้องระมัดระวังมาวัดเนี่ยตัวมากเป็นคอนกรีต พวกเราทุกทุกท่านลูกหลานทุกคนมาหปวงพ่อก็เป็นห่วงนะฝนตกอย่างนี้แล้วก็วันนี้พระที่สล า, าพักศพคงจะมาตอนเย็นๆให้ช่วยๆกันดูแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สามบ่ายโมงจะมีการถวายสล า, าสล า, าพักศพ ที่น่แหละที่วัดของเราเนี่แหละก็ให้ศรัทธาญาติโยมทุกคนบอกกล่าวกันในพื้นที่แล้วก็พระสงฆ์ก็ให้จัดพระไปนั่งไปจำที่ให้เต็มอาจสงนั่นแหละเพื่อรับศาลาติเจ้าภาพจะถาวายวันพรุ่งนี้ตอนบายโมงแล้วก็ตอนเย็นวันนี้หลวงพ่อคงจะได้ออกไป วันครอบรอบหลวงปู่ถิ่นที่วัดบ้านจิกนะทุกปีที่ผ่านมาท่านก็พระลูกหลานทั้งหลายคนนีมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมแต่ปีนี้ท่า น, นั้นอาจจะเอาองค์อื่นทางอื่นมาแสดงก็ได้พอหลวงพ่อแก่แล้วนะไปนะสถานที่ใดก็มีแต่พูดบอกความแก่นะมันแก่จริงๆจะทํำยังไงที่หลวงพ่อคิดขึ้นภูเจ้า ก, ก็ก็เหมือนกันนะ ที่หลวงพ่อสมคิดที่เจ้าอาวาสนั่งอยู่ทางซ้ายมือหลวงพ่อองค์แรกเนี่ยหลวงพ่อกคคิดูทางว่าได้ไปภู้เจ้าก้อนคงจะได้หาครูบาน้อยหนุ่มหามขึ้นว่าจะไปกาพเจดีแต่ปีนี้ก็ทราบว่าทางในช่างวานิชในช่างสมบัติที่จะมาซ่อมพเจดีนะซ่อมพเจดีที่พู้เจ้าก้อได้มาพูดกับหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ อ, อเออ ถามันบดหลุดมันมัวหมองก็ส่งซ่อมให้มันดีนะ เ, เพราะนั้นบางทีหลวงพ่ออาจจะ ไ, ดไปดูในการซ่อมพระเจดีย์ขององค์หลวงปู่ปู่ล่าของพวกเราแต่พอคิดขึ้นไปพูเจ้าก้อเดี๋ยวนี้ตะกอ น, น, นเดินฉับๆขึ้นไปได้นะแต่เดี๋ยวนี้ขนาดคิดเฉยๆก็กยังโอ้อขี่งอเด้อทำไมขึ้นพูเจ้าก้อนไป คีงอไปคือมันท้อแท้ใจที่จะเดินขึ้นไปถึงจะถึงหรือไม่เพราะมันมันไกลและเกินสูงและเกินนี่นี่แหละ น, นี่แหละลูกหลานอายุมันแก่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทึงยังไงก็คิดว่าคงจากจะจ ะ, จะขึ้นไปการาบคารวะพระเจดีย์ของหลวงปูย่ยูถ้าใดไปพอ ท, ทุกวันนี้ไปณนะสถานที่ใดหลวงพ่อกับ คล้ายปิดประตูไปเรื่อยๆละ่ะอย่างวัดหลวงปูทุยหลงสีสมภูเมื่อปีที่แล้วโอ้ยกูบายจานก็ผมอาจจะบ่ได้มานะปีต่อไปเพราะการเดินทางรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันไม่เหมือนแตก่ก่อนล่ะคอกลับไปก็อ่อนเพลียอีกต่างหากพอจะกลับมาก็นั่งรถมาก็ไกลท่านเอ้ยถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจะไป สาธุกับผมกูบาอาจารย์ไปเยี่ยมก็เป็นสิริเป็นมงคลของกูบาของพวกกระผม ล, ละเนี่ยละจากนั้นก็ไปวัดหลวงปูอุทัยที่เขาใหญ่ไปแสดงธรรมเมื่อวันวันเกิดของท่านก็ไปพูดที่นั่นอีกเหมือนกันผู้พูดลักษณะเดียวกันน่บอกว่าอายุมากแล้วอาจจะบม่ได้มาศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา น้องหนุ่งทางหลายก็จะไปหาวัดหลวงโพธิอินหัวแข็งหนะ้าบอมารเขารบกูบาลจารย์เพราะมันแก่ไปไหนไปไหนลําบากก่อนที่จะไปก็ต้องคิดแล้วคิดอีกอก่อนที่จะไปได้ไม่เหมือนตะกอนเก่าพราะเขตะกอนเก่าพอคิดได้เขไปเลยเอไปแล้วกันนะนั่งรถไปก็เพลินไปตามถนนหนทางดูทัศนียภาพต่างๆแต่ทุกวันพอนั่งขึ้นรถนะก็ ไม่อยากจะลืมหูลืมตาแล้วอยากจะหลับตานอนไปเรื่อยๆจนถึงที่เลยยังค่อยงวงเงียขึ้นมามันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าร่างกายสังขารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามนะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้านับดูแล้วก็ไม่ถึงไม่ถึงสามอาทิตย์นะสองอาทิตย์กว่า เพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงหลวงพ่อก็เคยย้ํากล่าวเตือนสําหรับพวกลูกหลานคณะสัตรธธรรยาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ได้พูดนะได้พูดแต่วันนี้ก็พวกเราก็ไม่ได้ฟังนี่เมื่อืหลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็นํามาพูดให้คณะสัตรธธรรยาญาติโยมกลุ่มนี้ฟังเอกที่มาวัดหลวงพ่อโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลูกหลานมาจากบ้านแหวงบ้านโคกกลาง อำเภอหนองสูงลูกหลานผูเจ้าก้อลูกหลานหลวงปู่ของเราให้ลูกหลานทุกคนนะหลวงปู่ของเราสอนธรรมะให้กับลูกกับหลาน เ, าเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของโดยบุญบุญมีของหลวงปู่ล่ า, าที่ท่านมาอยู่ผูเจ้าก้อท่านแนะนำสั่งสอนลูกหลานหลายสิบปี การแนะนำสั่งสอนลูกหลานกันแนะให้ลูกหลานรู้ศีลรู้ธรรมทางวานลหลวงปู่ล่าไม่มาอยู่จุดนั้นพวกเราคิดดูสิว่าพวกเราจะเป็นหมูปา่าเป็นเก้งกวางเท่าไหร่แต่ในพวกเราหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาได้พอหลวงปู่ล่าท้ามาเปิดหูเปิดตาเปิดแนวความคิดให้กับพวกเราลูกหลานจึงเป็นผู้มีคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นเมื่อหลวงปู่ จากไปแล้วก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านยึดแนวแถวปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็ยึดตามแนวปฏิปทาของท่านน่ะพอหลวงปู่ของเราหลวงปู่ล่าของเราเนี่ยท่านสอนละเอียดถี่ถ้วนมากนะแต่องค์หลวงตาเนี่ยท่านแต่สอนเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องกิเลสกับธรรมธรรมกับกิเลสใจกับกิเลสกิเลส ก, กับใจเน้นหนักจุดนี้ แต่องหลวงปูล่ลานี่ท่านสอนเรื่องกิจจะวัดข้อวัดหลวงพ่อเองก็ได้ลูกหลานใครมาเสียงพูดอยู่แถวนี้ยวะอุ้มไปข้างนอกซะก่อนมันรบกวนหมู่เสียสมาธิในการฟังมันใหญ่เชก่อนยังค่อยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาฟังกับหมู่นะลูกหลานผู้ใดคื อ, ค, อคือกันนะขั้นเสียงดังเข้ามาในทุกชุมช้อนเห็นบ่ล้วพวกนะั้นนั่งฟังนะ เออมียตาหลานของเฮานะ่ยแมนเดียหลานของเฮาลูกของเฮาเบ้าเสียงดังแสดงกัพ่อแม่ก็ยิ้มดีอกดีใจว่าลูกหลานของเจ้าของหาวหานแต่ผู้อื่นมาล่ำข้านนะ่ะาะพนันลูกหลานทั้งหลายนะไปนสถานที่ไหต้องหูจักคันไปหาหมอรองหมอล่ำเนะเอาไปโลดลูกหลานเนะไปสซโยโฮโยหิวซะกันคันออกมากก็ต้องเบิง้งให้นางโยกไกลๆห่างๆไปก่อน เพิ่นบอกจบเทศจบแล้วเนี่ยคอยเอาเขาม า, าให้ชุมชอนเพราะมันเป็นการรบกวนผู้อื่นผู้อื่นเพิ่นตั้งใจมาเห็นหมดมาจากทังไกลทั้งอื่นทั้งไกลมาเพื่อหยั่งอบอแมนเปมาฟั่งลูกฟัง่งหลานเทบอออแอร์อแอ เ, ออเอมาฟัง่งติดลงตาลงปูจะพูดนะลงปูลงพออินจะพูดให้ฟั่งไม่หยั่งลงพอเห็นหมด หลวง พ, อพ่อโพดคือมาหลวงพ่อรับตาโพดออกมาจากใจจริงเพื่อจะให้ลูกหลานคณะสัทธ า, ายาดย่อมรูศีลรูถ้ำเมื่อรูศีลรูถ้ำมันก็นั่มไปเอานั่มถ้ำข่ำสอนไปประพฤติปฏิบัติตามถ้ำข่ำสอนของพ่อแม่คู่บายอาจารย์ที่ผ้าดาเนินมากจังใจ น, นี่แหละเพราะนั้นให้พวกเข้าลูกหลานคณะสัทธ า, ายาดย่อมทุกขู่ทุกข้นนะอยู่กับองหลวง ปูหละเมื่อได่เงีย้ยนฟังได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้เสียงหลวงปูหละคู่บาอาจารย์เพื่อนะนําสั่งสอนในเทปก็ยังมีอีก MP3 มพีสหนังสือประวัติของเพิลนละเอียดทีถวนมากหาที่จะประวัติองค์ใดที่จะทีถวนเหมือนกับหลวงปูของเหล้านี่หายยากเล้เพราะนั้นให้พวกเฮ้าทุกขู่ทุกคนนะ้นั่นในเศตุการณ์เขาพรรษาเนี่หลวงปูค่อยสอนได้ โดยเฉพาะย่างยิงย่อมพอคุณตาคุณยายที่เป็นย่อมพอย่อมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเพิ่นรักษาสินหาแต่อายุสามสิบหาปีได้ผลบอกให้ฟังเป็นอย่างเพิ่นจังรักษาสินหาย่อมพอผลบอกว่าสมัยนั้นแม่ของเพิ่นคุณญานี่ยแม่ชีมาแง่คุณญานี่ยอยู่ผู้เก่าอยู่กับคุณแม่ชีแก้วก็มี ลูกสาวคนลูกสาวหล่าคนเดินนะสาวเตยที่บวชอยู่ผู้เก่าแหมย่อมพอสมายเดินมัน ม, มีโล่งสี đấy. เดชแหมมีแต่หกกระเดืองนะั่นน่ะหกตำเข่านะทั้งพอทั้งแม่ลุ่มลู ก, ล ก, ลกตำเข่าไปแล้ว่ะหาบเข่าไปทรงญาคู่บาอาจารยนะ์ได้หาบไปกระตากินเลยตำไปทรงตำเข่านะหกกระเดืองนะ ทำเขาไปหาไปทรงหายาให้ปูปูกระโบดจุ h ẳ นเดย์หลวงปูกระโบดจุ h ẳ นบวชมาได้ฮกปีเดย์เป็นก็ไเดมมรณาภาพอยู่หลังผู้หลังเขาผู้เก่าเดย์ย่อมยมปูนะย่อมยานี่ยขนาดบวชแต่ย่อมยาเนีบวชก่อนย่อมปูอยู่ผู้เก่านะอยู่กับอาจารย์พันธ์สมัยนั้นนี่แหละ พ่อนึ่ก็ส่งไปส่งไปก็ส่งทั้งเขาสารอาหารแหง่งพวกเนือ้อพวกปลาชุดแทะแต่ที่ได้แหละออาหารไหนก็ส่งไปเพื่อให้ทำขัวเลียงพระด้วยเลียงคุณแม่ด้วยแต่มื่อเน่งย่อมคุณแม่ของเพลินหมดไปเมชีเนี่ยที่เป็นแม่ของโย่มพ่อเนี่ยพูว่าโอ้ลูกเอ้แม่ก่อนได เข่าได้อาหารก็ดีแ ล, ะละ้วล่ะแต่ว่าในพรรษาที่จะถึงเนี่ยแหมเองอยากจะให้ลูกรักษาศีรษเนอ้อเนี่ยปณิว่ฒน์เห็นแกยูแกกินเลยบอแมนจะได้เนื้อตอนหนาป่าตอนใหญ่มากเลยที่ทีอกดีใจได้กินของลูกบอแมนได้เพิ่นระลึกถึงอต้อนตอที่ว่าลูกเนี่ยอาจจะไปขาดสัตว์ชีวิตมาก อามา่ให้แม่ให้กินมันเกิดเบิงเบิงแหละมันก็ดจะเป็นบาปสําหรับลูกอีกส่วนหนึ่งแม่ก็พ่อเลี้ยงพ่อไหวจะดอกหานอใหม่นอ้น้อในผู้ผ้าปลาใหม่ไมาอยู่มากินออแกงใส่ปลาแดกปลาลาซะก็น่าจะเพียงพ่ออาจจะเป็นไปได้เพราะเขาเป็นนักพจนักบวชคุนยาเพิ่นก็เคยคิดจังสันเพิ่นก็เลยบอกให้ลูกใช่เพิ่นน่ะ หาเขาสารอาหารแห่งไปทรงในพรรษานี่แม่อยากจะให้ลูกรักษาสิ้นหาได้บาามาต้องเป็นห่วงแม่ร็อกอมีแต่เขามากกับพ่อตั้งผู้พอนี่คือเพิ่งก็นักใจขึ้ น, นะนกันนะเออเพิ่งก็บกำลังสางเนือ้อสางตัวอายุเพียงสามสิบห้าปีใ่ไเพิเ่งก็เลยนมากว่าปรึกษากับโยมแม่ไปคื อ, ค, อคือแม่บ้านของเพิ่นวันไป เอ้ท่าทางเอ่อพนว่าข่อยจะรักษาสินหาเจ้าที่วาจังไดใช่ไหมแม่นี่อยากให้รักษาศินหาได้ในสามเดือนนี่ยท่านทั้งแม่ทั้งย่อมแม่ก็เป็นขู่มีจิตใจกว้างขวางอยู่แล้วก็เอาได้พอไปยังเอาเดี๋ยวก็ลูกกับพ่อใยายคิดว่าแล้วล่ะพ่อสีซอยได้อยู่เจ้าจะรักษาสินหาตามคุณแม่บอกคุณยาบอกกระตาม สบายตามัตญายาตใสแต่ไหนย่อมพอจึงในรักษาสิ้นหาตั้งแต่อายุสามสิบหาปีได้ลูกหลานที่พนบอกให้หลวงพ่อฟังนะพ่อจากนั้นเพื่อนก็รักษาสิ้นหาพ่อออกขั้นษาแล้วบาทเนี้ยพ่อออกั้นสาแล้วเพ่นก็จะไปหาอยู่หากินหากบผาป่าอย่างบันนอกบันหน้าห้องทามหาเลี่ยงชีพนั่นแหละพ่อจะไปหาเถิดเพื่อนก็ขึ้นกระดักเออสิกากะปาาขา จับกบจับปลามาต้มมาแก่งคือเกายมันก็คิดหนักเลยวเตายเอมันขาสัตยากแล้วสันนก็เลยไปบอกกับแม่บ้านอีกเนี่ยบอกกัยมแม่โอ้ยังใดบ่เออคอยที่จับสัตว์มานี่ยมันเบิ่งเจลามันกระดาษเอาเถอะถ้าเป็นไปได้คอยจะหาพวกเฮ็ดพวกน่อใหม่พวกพักพวกยัง น, นี่มาเรียงขอบรัว ส่วนอื่นกับุดแทแต่ลูกแต่แม่บานที่หาเป็นจังไดทั้งย่อมแม่กันยินดีอนุโมทนาย่อมพอก็เลยรักษาสินหามาจากผุนเพราะมันมันกระดากไงมันมีความละอายได้ใจพอนปนั่นละเพิ่นก็นเลยรักษาสินหามาจนแต่อายุสามสิบหาจึงเก้าสิบหกปีหลวงพ่อจึงได้มรณาภาพนี่แหละอันนี้ยกตัวอย่าง ให้พวกเห่าคระท่าญาติโยมทั้งหลายโ่เมนติงยกย่องหลงพอคือยกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสำหรับให้พวกเห่าถึงจะบวชเหตุใดถึงขนาดนั้นเอาในพรรษาเนี่ข้าพเจ้าจะรักษาสิณห า, าทุกวันพระหรือว่าทุกวันอาทิตย์หรือว่ า, อาตลอดไตรามารสสมเดือนใดก็ยิ่งดีแล้วก็ให้ ไายพระทุกวันพอเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธทเจ้าพวกเขาเนี่เข่าหุ้นบริษัทเดี๋ยวพุทธทางธรรมังสังขังสระนงังคัจฉามิเนี่ยเป็นพุทธเป็นพุทธบริษัทคือบริษัทจำกัดบริษัทนั่นบริษัทนี่ในเมืองไทยนะแต่เข้าของหุ้นพุทธบริษัทเพราะนั้นให้เข้าเป็นพุทธบริษัทนี่ เขาขวรท้ำสวยจังไสบริษัทนี่วันออกไปบริษัทพุทธะนี่นี่แหละพอเป็นที่มิจฉพุทธะอยู่ในทะเบียนบ้านซื่อแต่ว่าการประพฤติการกระทำบดไลยออกไปตามแนวแถวของพ่อแม่คู่บ่ายจารได้นําสังสอนบดเลยไปตามแนวแถวของพุทธะที่ทรงบัญญัติไว้กบฏหมายจะถูกขังสันบดหมาจะถูกขึ้กันได้หลวงพ่อว่าได้านในพวกเข้าณนะกรรับก่อ น, นอนยางหน่อยกักราบพระสกน วาพระสกอนอยังหลงพอเป็นเด็กหน่อยเท่กันกรฉีรับฉีน้อนเอ้ยสุเจ้าวาพระอะไรยั่งละ่ะโรลกรล้านลกูกวาละครับดังเดิมยั่งพระท่านวาเอาลูกพลาดกาบปลาลูกปเล็กพวกปันลิ่งกาบระอินทแลัล่ะว่เราไปแต่ก็ยั่งดีก็ยังเป็นอุปนิสัยยังฝังใจไว้อพอต่อมาใหญ่ขึ้นมากันนะ่ะกาบเป็นจิตใจลักษณะกร น, นอนกา บ, กบพทุทโธทัมโมสังโข แต่ลงปูหลาพ้นสอนอีกเด้อกาบพุทโธธรมโมบางคนกาบสามเถอนะลูกจะเป็นกราบยังกาบสามเถรไปอบ่ได้กาบบอกอธิบายกาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนอพุทโธธรมโมสังโคนอลูกเนอหลาเนออ์แต่ลงปูหลาพ้นเน้นเขาอีกว่าอพุทโธธรมโมสังโคนิพ่านั่งบอมันติกาบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซืเจอเนกาบพระพุทธเจ้าพั ทำพระสงค์เพื่อหวังพระนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนวัตตสงสารลงปูหลาพ่นสอนขนาดนั่นแหละนิพพากพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังนั่นแหละอันนี้ให้พวกเฮ้ า, ก, ากราบกรรับกรอ น, น, อนจะมากกว่านั้นก็นลาอาหางสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตสุปติปันโนและกั น, นะโมตัตสะพุทธังทางท ม, มั่งสังขัง ถ้ ม, มากกว่านั้นก็นอีตีปิโสพะกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมแพเมตตาเป็นภาษาใจของเข้าแต่ภาษาบาลีาหั่งชุกิโตโฮมินิโตโคโฮมิอาเวโลโหมิอันนั้นคือภาษาวาลีเขาอาจจะบ่กเขาใจลงปูหลาเพิร์ว่าเอาเป็นภาษาใจของเขาเนี่พ่อนังพ่อไหวพากจบเลนางปะนมเมื่อ ในระหว่างอกทำใจให้นิ่งๆทำใจให้เป็นสมาธิจากนั้นก็แพ่เมตตาขาไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นดวงวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ขาไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าขาไปเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดคือปัญวากันว่าเข้มมีเมตตาในจิตใจ ไปอยู่นสถานที่ใดก็บ่มีเวน่นมีไพ่เว่นไพ่ที่จะก่อเกิดขึ้นมาใหม่บอมีเว่นเสียแต่เว่นกรรมเกา่าสี่เท่าเคยเหตุมาในอดีตชาติแล้วเอออันนั้นเท่าหลีกลี่นี้บอมผลเพราะว่ามันจองเว่นกันมาแต่เว่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสีบอมมี่สี่หน่อยเพราะหะไรเพราะเท่ามีเมตตาในจิตในใจอันนี้คือหลวงปู่เพิ่นสอนนะพนันคอให้พวกเขานะลูกหลานทุกคน ก่อนรับก่อนนอนควรจะมีไหวพระตอนคอนาําแล้วกัไหวพระจวนสวา่างญาติเหมือนเศร้าะจะไปทําการทํางานเข้าควรจะไหวพระสวนมม่อนสะก่อนแต่ขนาดพระพุทธเจ้าเป็นนกยุ่งท่องนกเป็นนกยุ่งท่องอยู่ตามลําพังอยู่บนยอดเขาญาติเหมือนเศรา้าพ่อพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อกยย่างบอกอุเทจะจันจกักภมิเอกราซาฤทธิวนโนนนท์เป็นอย่งางไร เจ้าจมพระฆ่าถานี่ยข้าพระเจ้าขอนอบหน่อมพระอาทิตย์พระพุทธเจ้าพระถ้ำพระสงฆ์ขอให้ข้าพรเจ้าหากินในมือนีขอให้ตลอดปลอดภัยขอพระพุทธเจ้าพระถรมพระสงฆ์คุ้มครองผู้ข่าด้วยเทอนลักษณะจักรันความแปลนะพ่อเนี่ยพอหากินน้ำหมูเว้นต่างกางวั่นมดแล้วกักราบขึ้นมาบนยอดเขาอีกพระอาทิตย์จะรับผู้เขาอีกนกยุ้งท้องกาวฆ่าถ่าขึ้นมาอีก อ่ะอเปตยันจูกมาเอกะราซาฤทธวันโนออพระอาทิตย์เป็นไงในผืนแผ่นดินอ่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นไงในโลกพระพุทธเจ้าตรัสรูปเป็นอัปภปันุตระสัมมาสัมโพธิญาณขอให้คุม้มครองข้าพเจ้าในตลอดในราชตีนี้โดยเทินฮะเนียเหมือนแร่เพัง ก, กจมพระคาถานึง่งเยเหมือนเสาพังกจมพระคาถาหนึง่ง ข้าทาหนกนกยุก่งทองเพราะนนั้ในพวกเข้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะมีพระขาทาขึ้นกันพุทธทางธรรมังพุทธทั้งคือพระพุทธทเจ้าเป็นผู้มดจดจากกิเลสผมมีกิเลสบอกมีจะหายโทษแก่ไพ่มีแจะหายคุณพระธรรมคือกันพระสงฆ์ขื้นกันาหายคุณแก่พุทธบริษัทอย่างพวกเขากลับไหวนอบน้อม น, น, น, นี่ยแะอันนี้ก็คือในพรรษาเป็นไปใดไม้จะรักษา ไหวพระโฉดม่แล้วก็มากกว่านั่นคือเอารักษาสินห า, าทํามากกว่านั่นก็นี่แหละให้นั่งสมาธิภาวนาอาอย่าได้ขาดเมื่อได้สิบนาทีได้ไหมในตลอดไตรมาสสามเดือนออแล้วก็ยา ก, กินเหลากินหากระโยนในสินหาก็ะโยนในข้อรเรานั่นแหะบางคนรักษาสินหาเพราะอะเอารักษาสินหาเพราะอะไรงด สุราเดี่ยด้ไหมงดบุหรีได้ไหมคำว่าบูหรีขํานี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคันว่าห้าสู่ไก่แม่บ้านลูกหลานขั้นมันเขา่าจมูกและเข่าเป็นทํำให้ เ, เป็นโครคไพร่ไข่เจ็บได้เขาเขาพูดทังขนาดนั้นเลยพวกแพทย์พวกหมอนะที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังเขาพูดนะแต่ห้าวจีเชื่อหรือบุเชื่อก็สุดแท้แต่ห้าวรอกว่า แต่ท่านไปหาหมอก็ต้องถามแบบนั้นแหละทเขาถามเลยที่ในบ้านตอบก็าเต็มปากเต็มคำเมุมามุมมามุมมมุมแต่ก็จะไปรักษากับเขาเพราะนั้นเท้ารักษาตัวเท้าแต่ไหมผมมีประโยชน์ยังรอกเขาก็งดนี่แหละเซ่งเรานี่ทั้งหลายทั้งปวงในพรรษาที่จะถึงเนี่ยปีสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าหลวงพ่อเองจะแนะนำบอกเก่าคณะลูกหลาน ที่เป็นศิทธิ์ญาณวิตธ์ของหลวงปู่หละเป็นลูกหลานของหลวงพอ่อขึ้นกันนะ่ะเป็นญาติโกโหติกาหลวงพอ่อขึ้นกันนะ่ะหลวงพ่อเนี่ยได้มองเบื้องเจ้าของเนะี่ยญาติพี่น้องลูกหลานเนะี่ยหลวงพ่อเนี่ยบวชมาแต่น้อยอย่างพวกเราพวกลูกหลานได้เห็นนั่นแนหะอายุสิบเอ็ดสิบสองปีบวชเป็นสมเณีอยู่ผู้เจอกอ่อจนมาป่านนี้อายุเจ็ดสิบสอปีหนะลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ หลงหลงลุงอินของเขาหลงโปอินของเข่านี่หลงอ่านหลงนาหลงอาเฮอหลึกูหลงพีอินของเข่านี่เสียใจบอที่บอได้เป็นขลภาวะหญาติโยมที่เป็นนักพดนักบวทมาแต่เล็กแต่เล็กแ่น้อยจริงๆหลงพ่อตอบเลยเอยๆนะลูกหลานทุกคนนะพีพีน้องๆทุกคนนะหลงพ่อภาคพุ่มใจยั่งมากพราะเห็นอะไเพราะตัวเองบริเฮตสิ่งที่มันเสียหาย มีแต่ประกอบคุณงามความดีอย่างลูกหลานได้เห็นอยู่ผู้เจ้ากอก็คือยังเป็นพระหน่อยพานุ่มจากไหนก็มาอยู่กับองค์หลวงตาจากนั้นก็ได้มาอยู่วัดหน้าคำหน่อยแห่งนี้แหละหลวงพอมองเบิ่งชีวิตของตัวเองเง่้ยวเหยียดทีเดียวแต่กันล้วนแล้วแต่ประกอบคุณงามความดีสร้างสมบุญกุศลเสียงไหนที่มันบอดี ทั้งโลกกว่าดีทั้งถ้ำกว่ดีทีวันมั่นบอดนะีแต่คิดบอดีก็บอกขวรจะคิดนะแล้วก็ถ้ำบอดีบกควรทําพูดบอดีเ่าต้องพูดนะทางน้าท้าวาทีวันมั่นบอดีแนละ่ะอย่าไปหาถ้ำมัน่นทํามั่นแล้วก็จะทําให้ตนเองเดือดร้อนอย่างหลักถ้ำค้ำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ท่านห้โอวาทปฏิโมนะกตุกตังทุกตังเซโยปัชาตปฏิทุกตัง กรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าอย่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วถ้าทำชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อฟังไวศึกษาไวยางทึ่งใจจากนั้นจะได้นำออกมาบอกกาให้คณะทัดทายญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟัง ม, มั่นก็เป็นยางสัตอิริแต่เมื่อเหตุกระทบทาโต๊ะเก่งฉลาดก่นไป แต่ว่าจะเอาตัวรอดได้บาดฮ่าแล้วเพราะเขจับได้ไล่ท่านเขาว่ารัฐบาลเป็นความเพชศบาดนี่ยไล่เบืาบา้งบัตรให้มันก็เพชอยูบบ่นั่นแหละเขาอใส่กองแขนก็เห็ดกอซ้ออยู่นั่นนะเบิ้งหนาภัยเขาบ่ได้เป็นสิสระกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพระธานให้พวกลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะ แล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างที่หลวงพอ่อเดชพูดได้กล่าวเนี่ยแหละเรื่องศีลและธรรมเข้าจะเห็นได้มากหน่อยแค่ไหนก็สุดแทนแต่พวกเข้าถึเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะแต่หากบ่ได้ยินได้ฟังพวกเขาก็จ ะ, จะเดินแบบไรยังจะถูกต้องเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพอ่อเดชบอกกล่าวแนะนําไปแล้วเนะี่ยกาพวกเข้าจะได้นํามากประพฤติปฏิบัติประปุงกายว่าใาใจของเข้เาเมือ่อประปุงกายว่าใาใจของเข้าแล้ว หลวงพอ่อพอมันหลวงพ่อบอได้แบงสัรปันส่วนได้ป่ะนี่หลวงพ่ออินโมเดเมนสีแบงสันปันส่วนจากพวกเข้าไดเ้เป็นบุญกุศลของพวกเข้าเต็มเต็มเป็นพวกเข้าของเขาเพียวเพี้ยวเป็นบุญกุศลสําสหรับพวกเข้าหลวงพอมีแต่เป็นผูแนะนําเดินจากสี่เน้อหลูกหลานเน้อยังบทตกหลุมตกบอยย่างบตกหนามตกไฟบอ่อใหม่เดินเป็นแบบนี้มีแต่ความสุข แต่เดินไปแบบนั้นน่ะไม่ทูกเนอะหลวงพ่อไม่แต่บอกจังฉันการเข้าบ่เดินกับชุดแทนแต่พวกเข้ากันวาพวกเข้าเดินก็เอาแต่เมื่อเข้าสิเดินเขาก็ต้องคิดให้ดีซะก่อนเลยฟั่งแล้วเพฟั่งแล้วไปคิดว่าไปกันตรองไตรตรองซะก่อนในเมื่อเข้าฟัง่งเบิ่งแล้วกันของไตรตรองไม่ีเหตุผลเขายังคอยลงมือปฏิบัตินะปฏิบัติได้ผลแล้ววันเออเนี่ย เขาเคยเชื่อหมันว่าเออหลวงพ่ออินนี่พูดถูกไว้ลงุ่งลว ง, งอาเขา้าในี่พูดถูกไว้เมื่อเข้าปฏิบัติแล้วจิตใจใเข้าได้รับความสะดวกลมเย็นเป็นสุขนะงะี้แหละหลวงพ่อยังเคยย้ำะดูก่อนสาลิบุตรที่ท่ทาที่ต่าทาคตพูดไปนี่เธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าข่าพระอดพระพุทธข่าพระพุทธองค์งยังไม่เชื่อ พระสงฆ์ทั้งหลายก็เออพภาสาริบุตรหัวแข็งขนาดพระพุทธเจ้าตรัสขนาดนี้พูดขนาดนี้ยังบ่เชื่อพระพุทธเจ้าเ อ, อแสดงว่าภาษาริบุตรเป็นจังไดเนี่ยพระพุทธองค์บอว่าพวกเธอทั้งหลายฟังไว้จําคําสารีบุตรไว้แล้วเราจะถามอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อภาษาริบุตรตอบว่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัตินข้าพรเจ้าจะนําไปใคร่ครวญดูก่อน แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลข้าพระพุทธองค์จึงมากราบทูล เ, เชื่อพระพุทธองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข้านี่แหละพระองค์ว่าดูก่อนสงทั้งหลายเนี่ยพวกเธอท่านทั้งหลายต้องเอาเยี่ยงอย่างสารีบุตรตถาคตพูดตรัสออกไปนี่อย่าเพิ่งเชื่อให้นําไปคิดกันกลองไตรายตองแล้ ว, แ ล, วแล้วนำไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อนํา ไปปฏิบัติดูแล้วได้ผลนั่นแหละยังค่อยเชื่อโนะบอเชื่อก็ต้องเชื่อระบาดเลยเพราะอะไหรพอนําไปปฏิบัติเอยปูกปับมาลงโพออินโอ้ยลูกหลานเนะ่กันอยากได้เขาห่วงใหญ่ๆนะไปหายากยังตูเจ้ามีแต่ดั่มหน้าเอาเอาหักมันลงพื้นเอายอดมันลงแม่ต่อไปนี่นะเออเอาทั้งยอดมันลงดินเลยอดเอาย อ, อ, อดมันดั่มเอาหากเอาหากมันสี่ขึ้นฟ้า ร่องมันสีใหญ่เด้อลูกลานไปลองมันได้เอาจางเต็น้าได้บาดท้าเอาทางหยอดมันลงองมิแต่มันเน่าแล้วบาดเนี่อหลวงพ่ออินบอกที่เชื่อไดจังใดเป็นบวระบาดเนี่นั่นแหละเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามเมื่อเห่าได้เงี้ได้ฟังแล้วเขาก็ต้องนําไปปฏิบัติเบื้องก่อนพอนําไปปฏิบัติโอ้ยหลวงพ่ออินบอกว่าเอากาหยอดเอาทางป่ายทางหยอดมันลงดิน เอาหากหักสี่ขึ้นฟ้าเนี่ยมีแต่ตายลูกเดียวยาไปเชือกเนอะเนี่ย เ, เมื่อปฏิบัติแล้วห้องกับปฏิเสธไดโมเมนบอกขันหัวบได้ปฏิบัติมีแต่เชืออืกมันจิมแมนอยู่เด้มันสิ ห, กหักใหญ่เพราะมันเอาเอาหยอดมันล่องหรือเอาหักสี่ขึ้นฟ้าเนี่ยคนนี่แหละหลักธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็ น, ปนบอกกล่าวอย่างสัน้นนะคณะสัทธายาิโยมลูกหลานทุกคนเนาะอที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟัง อ่างเหตุผลให้ผูกฟัง่งให้พวกเข้าตั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังให้เขาใจในหลักเหตุผลของพระพุทธศาสน า, าตอนนี้ไปรับพรนนเนนรเนอพระสงค์จะอนุโมทนาให้พรรับพร